เรื่องลมสองเรื่องหนึ่งร้อยสามสิบหกสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบผ้าสาดกถูกลมบ้าหมูพัดมาจึงเก็บไว้ด้วยตั้งใจจะนำคืนเจ้าของแต่พวกเจ้าของผ้ากล่าวหาท่านว่าท่านไม่เป็นพระท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่า ภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีทายจิตพระพุทธเจ้าข้าภิกษุไม่มีทายจิตไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่31สอสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทายจิตถือเอาผ้าโพกซึ่งถูกลมบ้าหมูพัดมาด้วยเกรงว่าเจ้าของผ้าจะเห็นเสียก่อนพวกเจ้าของผ้ากล่าวหาท่านว่าท่านไม่เป็นพระท่านเกิดความกังวลใจว่า